ที่เดินมานะไม่ยินใครมาประกาศแถลงการชฉลอยมันจะมายึดบ้ตรเหล่าละถ้าไปใกล้โอ้เรื่องนี้ก็ยังช่วยหนะ่อยคือเป็นเรื่องที่หลวงพ่อหนักใจนะพวกเราช่วยหลวงพ่อหน่อยเถอะบางคนมาเรียนส่วนใหญ่มาด้วยความอยากพ้นทุกข์จริงๆไม่ได้ก่อปัญหาอนะไรคนส่วนใหญ่นะดี นี่มีส่วนน้อยนะ่ะมันไม่ค่อยเรียนหรอกไม่ค่อยภาวนามาฟังๆนะแล้วก็เที่ยวไปถามครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่สร้างศัตรูให้หลวงพ่อโดยไม่รู้ตัวมันจําไปผิดผิ ด, ผ ด, ผดถูกถูกอ่ะบางทีก็ไปอย่างหลวงพ่อเล่า ว, ว่าตอนหลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อเดินจงกรมหามลุ่งหามข้ามเดินสักขากริดเลยไม่ได้ผลเลยมันไม่ถูกจริตอ่ะหลวงพ่อนั่งภาวนาแล้วได้ผลอะไรเงี้ยมันก็ไปบอกว่าหลวงพ่อ โจมตีไม่เดินจงกรมขาปิดไม่ได้เรื่องหรอกเนี่ยวัดที่ท่านเดินจงกรมก็มีเนี่ยก็ท่านเดินได้เรื่องเนี่ยหลวงพ่อเดินไม่ได้เรื่องเราไม่ถนัดอะไรเงี้ยหรือบางคนหลวงพ่อบอกว่าเดินจงกรมนะให้รู้สึกตัวไปรู้กายรู้ใจไปถ้าเผลอแล้วให้รู้ว่าเผลอก็ไปเล่าที่อื่นนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อประโมทยสอนให้เดินจงกรมนะเดินไปเผลอไป อะไรวะสอนให้เดินเผลอให้เดินไปแล้วก็เผลอไปเรื่อยๆว่าอย่างนี้ก็มีนะน้ประหลาดประหลาดนะบางทีหรือบางคนพวกนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องมาเรียนใหม่ๆบางทีมาเรียนแล้วก็เที่ยวไปตามสำนักครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะแล้วก็หาเรื่องคุยคือตัวเองยังไม่ได้ภาวนานะไม่มีผลงานที่แท้จริงหรอกที่จะไปเล่าถวายครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะ ก็เอ า, เอาบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนอย่างนี้อย่างนี้นี่หลวงพ่อประโมทชมว่าหนูดีนท่านดูมันดีตรงไหนมันเหมือนที่หลวงพ่อเคยเห็นคนไปถามหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศท่านว่าดีเราก็นึกในใจมันดีตรงไหนมันไม่ดีจรนะิงหลวงปู่เทศท่านเคยสอนไว้ว่าคนมาถามนะให้กําลังใจเขานะอย่าไปบั่นทอนเขาเนี่ยยังมาเรียนที่หลวงพ่อนะ คนเห็นแก่ตัวลดละความเห็นแก่ตัวได้หน่อยหนึ่งหลวงพ่อเขาว่าดีละคนไม่มีศีล น, นะมีศีลขึ้นมาเราก็ว่าดีคนฟุ้งซ่านทั้งวันจิตใจสงบขึ้นมาบ้างเราก็ว่าดีคนไม่เคยรู้กายไม่เคยรู้ใจมารู้กายรู้ใจได้เราก็ว่าดีหลวงพ่อรถดีหมดเลยนี่เที่ยวไปคุยอวดนะเพราะไม่มีไม่มีผลงานที่แท้จริงจากการปฏิบัติไปเล่า เที่ยวเล่าว่าหลวงพ่อสอนอย่างนั้นหลวงพ่อสอนองี้ซึ่งไม่ใช่อะ่ะนะมันเข้าใจด้วยความเข้าใจที่เพียนเพียนนะนี่พวกหนึ่งนะพวกไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไปก่อเรื่องอีกพวกหนึ่งมาเรียนมากฟังมากนะแต่ไม่ได้ปฏิบัติพวกนี้คิดมากไปถึงสำนักอื่นนะก็จะไปเรียกเขามาให้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัตินะมีขนาดเข้าไปตามสำนักครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่สุดเลยนะไปเรียกอีกโยมที่อุปถากท่านมา ไปคุยขอเขาทั้งห้าชั่วโมงกลายเป็นว่าหลวงพ่อเนี่ยส่งลูกศิษย์ไปเกลีย้ยกล่อมให้สำนักอื่นเปลี่ยนแนวทางอะไรเงี้ยนะเสียหายหรือบางคนก็ไปวิจารณ์ครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะว่าเนี้ยถ้าสอนอย่างเนี้ยหลวงพ่อตามมุตบอกว่าผิดกลายเป็นว่าหลวงพ่อนะ่ะไปด่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นเต็มไปหมดเลยนะนี่ปัญหาอย่างนี้มีเยอะมากเลยหลวงพ่อจะแทบจะส่ง สายลับนะไปตามสำนักใหญ่ๆทั้งหลายไปดักถ่ายรูปนะไอ้คนไหนอยากเห็นหน้านักหนานะเขฟ้องกันมาเต็มไปหมดเลยแต่ละวันแต่ละวันนะสร้างศัตรูให้หลวงพ่อโดยหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็เทศของเราอยู่แค่นี้อยงนีน้งั้นพวกเราระมัดระวังนิดนึงนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อแล้วอย่าไปเที่ยวถามองค์อื่นเช่นถามว่าจิตหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านไม่ได้สอนอย่างที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนให้ดูสภาวะเนี่ย ก็ไปชอบไปเล่าเลิบหลวงพราะประโมทพาให้ดูจิตอย่างนี้อนั่นเป็นแค่จุดตั้งต้นเล็กๆ เ, เท่านั้นเองนะเพื่อให้พวกเราดูจิตเป็นพอเราดูสภาวะเป็นแล้วเรามีหน้าที่ดูของเราเองแล้วไม่ใช่หลวงพ่อบอกให้ต้องดูด้วยตัวเองนะนี่ไม่เข้าใจก็ไปเที่ยวถามครูบาจารย์องค์อื่นว่าจิตหนูเป็นยังไงนะท่านก็ลาคาญนะเพราะท่านชอบให้ภาวนานแบบอื่นท่านอาจจะให้พุโทโธให้อะไรอย่างเงี้ยเราไปถามคนละแนวว่าท่านท่านก็อึอดอนะัดอ่ะ หลวงพ่อก็ลาบากมากเลยที่ผ่านมานะช่วยหลวงพ่อ น, นิดหนึ่งนะยังไม่รู้เรื่องก็อย่าไปบอกคนอื่นว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรนะเดี๋ยวจะกลายเป็นบอกหลวงพ่อสอนประโมทสอนบอกว่าให้เดินจงกรมแล้วก็เผลอไปเรื่อยๆนะหรือหลวงพ่อประโมทบอกว่าไม่ให้ทําสมถนะอะไรเงี้ยคนที่ไม่ให้ทําสมถะหมายถึงคนที่ติดสมถะงบเง็มะ่ะพวกนี้ต้องหยุดชั่วคราวก่อนนะมาหาเจริญสติ สมาธิมันล้ำหน้าไปต้องมาฝึกให้มีสติให้มากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปทำสมถะไม่ใช่ไม่ทำเลยนะนี่บางทีเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเราไปคุยต่อไปเล่าต่อไปทำความสับสนวุ่นวายขึ้นมากยิ่งพวกร้อนวิชานะนี่มีสองพวกนะพวกอินโนเซน์พวกหนึ่งกับพวกร้อนวิชาพวกร้อนวิชาที่น่ารังเกียจนะเพี้ยวไปเขี่ยวเข็นคนอื่นให้เปลี่ยน วิธีปฏิบัติเที่ยวไปวิภาควิจารณ์สำนักอื่นๆเขาอะไรเงี้ยขอร้องนะช่วยหลวงพ่อนิดหนึง่งหลวงพ่อสอนพวกเราแต่ละวันนี้หนักหนาสาหัสมากละอย่าเพิ่มงานให้หลวงพ่ออีกเลยงานที่จะต้องคอยอธิบายมีบางคนนะมีบางคนเจตนาเจตนาเลยพยายามปล่อยข่าวว่าหลวงพ่อดา่าครูบาอาจารย์โงโน้นองค์นี้แกล้งเราอะ่ะมาเรียนที่นี่เคยได้ยินหลวงพ่อพูดถึง ครูบาอาจารย์ท่านไหนในทางเสียหายมาลนะ่ะเราไม่เคยพูดสักคำเลยนะจะมาเล่าอย่างไม่ให้เล่าเลยจะมาเอ่ยชื่อก็ไม่ให้เอ่ยนะให้พูดได้เฉพาะเรื่องการปฏิบัติของตัวเองเท่านั้นนะั้นไม่มีโอกาสเลยว่าหลวงพ่อจะไปว่าอาจารย์โน้นสอนอย่างนั้นอย่างนี้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยบางคนหนักหนาสาหัสนะบอกว่าหลวงพ่อว่าท่านพุทธทาสเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้คนนี้มันเกลียดเราลนะเกลียดเรามีปัญหากับเรามาตั้งแต่เริ่มลนะ มีอย่างเราไปว่าท่านพุทธทาสมิจฉาทิฏฐิอะไรเงี้ยเราพูดบอกว่าเราไปอ่านหนังสือท่านนะไม่รอบครอบเราอ่านแล้วเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์จนวันหนึ่งไปถามท่านเองนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าตายแล้วศูนย์เหรอท่านบอกคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอเนี่ยเห็นไหมท่านไม่ได้เป็นนะเราต่างหาอ่านไม่ดีเราเป็นเนี่ยพูดอย่างนี้นะ เที่ยวไปเล่าคนไปพยายามโฆษณาไปตามสํานักท่านพุทธทาสบอกหลวงพ่อว่าท่านพุทธทาสเป็นมิจฉาทิฏฐินีนะอย่างนี้ก็มีนะมันไม่ได้มาเรียนหรอกมันมาหาเรื่องนะงั้นพวกเราพยายามนะมาศึกษาธรรมะทั้งทีนะมาเรียนนะไม่ใช่มาหาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองหลายคนไม่ได้ภาวนาฟังเล่นเล่นสนุกนะเช้าออกจากวัดนี้บ่ายไปอีกวัดหนึ่งแล้วไม่ภาวนาหรอกพวกนี้หรือวัน เพลิดวันศุกร์อยู่ที่นี่วันเสาร์วัอาทิตย์อยู่อีกที่หนึ่งเอาเวลาที่ไหนภาวนาไม่ทําพวกนี้ไม่ภาวนานะเที่ยวคุยเที่ยวร่อนไปเลยแล้วสร้างปัญหามากมายเลยนะอบ่นซะหน่อยนี่เขาเรียกว่าความอัดอั้นของชายแก่ <c oughs> <c oughs> อต้องเทศสิอนอะ่ะน <c oughs> <c oughs> ึกว่าจะตรวยกันบ้านละ ธรรมะจริงๆนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยเราจะไม่ว่าคนอื่นผิดหรอกนะสิ่งที่ท่านทั้งหลายสอนกันนะมันคือรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งแต่ละท่านถนัดไม่เหมือนกันกรนะะทั่งลูกศิษ์ครูบาอาจารย์เดียวกันนะเวลาท่านสอนธรรมะออกมาท่านก็สอนหลากหลายออกไปตามจริตนิสัยตามชั้นเชิงศิลปะการสอนของแต่ละท่านไม่มีเหมือนกันหรอก อย่างลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยหลายสิบองค์เลยไปฟังๆันะ่ก็มีหลายแบบบางองค์ท่านให้พุทโธพิจารณากายบางองค์ท่านชอบให้ไปเดินจงกรมบางองค์อย่างหลวงปู่ทานะบอกให้มีสติรักษาจิตหลวงปู่เทสสอนเรื่องจิตกระจายหลวงปู่ดูลให้ดูจิตมีหลายแบบมีหลากหลายมากเลย แล้ชั้นเชิงลีลาในการสอนของแต่ละองค์แต่ละองค์งไม่เหมือนกันงนั้นจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะหลักของการปฏิบัตินั้นต้องถูกต้องต้องมีสติที่ถูกต้องต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถ้าขาดสติที่ถูกต้องนะลืมกายลืมใจไปถ้ามีสมาธิที่ไม่ถูกต้องนะถ้าขาดสติมันก็ลืมกายลืมใจถ้ามีสมาธิไม่ถูกต้องมันจะเพ่งกายเพ่งใจ เพรนถ้าเราฝึกให้ได้สติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ว่าเราทํากรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ทางนั้นเลยยกตัวอย่างถ้าเราพุโทโธนะเราพุโทโธพุโทโธไปด้วยความรู้สึกตัวพอใจลอยไปแวบรู้ทันว่าใจลอยพุโทโธแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆนี่ครูบาอาจารย์สอนไหมสอนนะท่านสอนอย่างหลวงพ่ออ่านประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยลืมเล่มอีกแล้วประวัติหลวงปู่มั่นนะที่อาจารย์มหาบัวเขียน พิมครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยลืมวันนี้ลืมไปดู <c oughs> หน้าเจ็ดสิบเจดต้องบอกหน้าแล้วเดี๋ยวนี้อ้าง <c oughs> ท่านสอนคารวะบอกปกติท่านสอนคารวะท่านสอนทานเรื่องสีเรื่องภาวนาการภาวนาของคารวะาที่ท่านสอนนะให้มีสติดูจิตนะให้มีสติดูจิตแต่ท่านมีบริกรรมด้วยนะหรือรู้ลมหายใจไปด้วยนะบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วจิตขยับเพรียงเคลื่อนไปเรารู้ทัน หายใจไปหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปหลงไปก็รู้ทันใช่ไหมหายใจไปแล้วรู้ทันจิตบริกรรมไปแล้วรู้ทันจิตนะนี่ครูอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะสอนคาวาสอนแบบนี้นะนั่นเป็นกรรมฐานที่คารวสทำได้ง่ายๆไม่ยากอะไรนะนี่ฝึกเบื้องเบือเ้องต้นแบบงนี้ก็ได้นะพอใจมันมันฟุ้งซ่านออกไปมีสติรู้ทันนะใจก็สงบใช่ไห ม, ไ, มได้สมาธิ พอภานาไปดูไปพุโทโธไปหายใจไปนะพอกิเลสเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันเนี่ยพอมีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงําจิตไม่ได้นะมันจะไม่ผิดศีลศีลจะมีโดยอัตโนมัติหลวงปู่มั่นเคยพูดเลยท่านมีท่านรักษาใจอันเดียวศีลของท่านเนี่ยท่านรักษาใจอันเดียวนะแต่พวกเรารักษาใจไม่ทันเราก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ก่อนเพราะเราดูใจเราไม่ทันกิเลสอาจจะเกิดรุนแรง รักษาศีล5้าไว้นะแล้วมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเวลากิเลสเกิดเรารู้ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงําจิตไม่ได้มันจะไม่ผิดศีลยกตัวอย่างเราเห็นเมียเขาสวยนะจิตเกิดราคะเนี่ยเรามีสติรู้ว่ามีราคะเนี่ยเราก็ไม่ไปเป็นชู้กับเขาไม่ไปจีบเขาอะไรเงี้ยเราเห็นของสวยเราอยากได้นะเรามีสติรู้ทันไม่ไปขโมยเขาไม่ไปล่อลวงหลอกลวงเอามาใช่ไหม ความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธครอบงําจิตไม่ได้เราก็ไม่ฆ่าใครเราก็ไม่ตีใครเราก็ไม่ด่าใครเราไม่ส่อสเสียดใครเนี่ยเราะเรามีสติรู้ทันงั้นถ้าเราคอยมีสติรู้ทันจิตของตัวเองเนืองๆ น, น, นะศีลมันจะเกิดขึ้นมันจะรักษาศีลได้ง่ายยังมีพระเคยมาถามหลวงพ่อบอกว่าโอ้ผมศึกเถือเมื่อวานเองอยากศึกแล้วพระพินัยเยอะรักษาไม่ไหวทําไงดี บอกอย่างโง่นะศึกเราโง่นะเป็นพระภาวนาง่ายนะมนันวันวไม่มีอะไรหรอกวันวเนก็ภาวนาได้ทั้งวันมีโอกาสดีแล้วก็ภาวนาให้มีสตินี่แหละรู้ทันจิตตัวเองไปนะมันจะไม่ผิดศีลหรอกนะมีสติค่อยรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไปเรื่อยศีลนะมันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะนนี้เป็นศีลที่จะทําบาปนะส่วนพระวินยัยบางส่วนเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติของพระ อันนี้ก็ต้องดูระเบียบแบบแผนครูบาจารย์ท่านพาทําก็ทําตามท่านนะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันอย่างเราเข้าสํานักนี้นะเขามีผ้าปูนั่งเราก็ปูนั่งนะสำนักนี้เขาไม่ใช้เราก็ไม่ใช่อย่างหลวงพ่อไปเทศนะมีคนว่าเราด้วยว่าทําไมท่านไปเทสท่านไม่มีสังคติอาบัตเป็นพระไปเทสต้องมีสังคติเราก็าเราก็เรียนพระวินไนนะไม่อเห็นมีตรงไหนเลยว่าเทศแล้วต้องมีสังคติ เรื่องการจะมีสันติมีผ้าไตรครบหรือไม่เป็นเรื่องการรักษาผ้าการักษาผ้าเป็นพระพินัยคนละเรื่องกันพระพินัยเรื่องเทศเนี่ยนะมีแต่บอกว่าถ้าโยมนั่งอยู่เรายืนอยู่นี้เราเทศเนี่ยไม่ได้เพราะคนนั่งนะีมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนยืนหรือโยมนอนกระดิกเท้าเล่นเราไปนั่งเทศให้ฟังเนี้ยไม่ได้ยกเว้นเขาป่วยเนี่ยพระพินัยมีแบบนี้นะไม่ใช่มั่วมั่วบางทีก็มั่วเหมือนกันแหละ เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเออสำนักนี้เขามั่วแบบนี้สำนักนี้เขามั่วแบบนี้แต่เราก็ไม่พูดนะเราก็กลืนกล่นๆกับเข้าไปปัญหาก็น้อยอะ่ะเราไปหาทำมหาวินัยหาอะไรก็รศึกษาเอาเนี่ยเราค่อยๆดูนะถ้าถ้ามันเป็นศีลที่เป็นศีลแท้ๆเนี่ยเรามีสติรู้ทันจิตมันจะมีขึ้นมาเองไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ทําร้ายใครไม่ขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครสิ่งเหล่านี้จะมีเอง แต่อย่างวิในของพระบางส่วนเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่พระาที่จะขึ้นได้อารุณนะต้องมีผ้าคลองสามผืนอยู่กับตัวนะทําไมต้องอยู่กับตัวเพราะบางทีพระนอนรวมกันเยอะๆเอาจีวรวางไว้ตรงโน้นตรงนี้พอเช้าทะเลาะกันเลยคนโน้นคว้าจีวรคน น, น, ค น, นี้คนนี้คนนว้าจีวรคนโน้นใช่ไหมไม่ใช่เรื่องรักทรัพย์ใช่ไหมเป็นเรื่องความเป็นระเบียบไอ้อย่างเนี้ยต้องสังเกตเอาต้องศึกษาเอา แต่ถ้ามีสติจริงๆนะสิ่งที่เป็นสีเนี่ยจะอัตโนมัติเลยถ้ามีสติจริงๆนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติได้ด้วยเพราะเมื่อไร่จิตเราฟุงา้งซ่านเรามีสติรู้ทันนะความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธินะเนั้นดูจิต ด, ดูจิตไปได้สมาธินี่บางทีครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บอกเฮ้ยดูจิตเป็นสมถะนะถูกของท่านนะดูจิตเป็นสมถะถูกของท่านแต่ถ้าดูเป็นก็เป็นวิปัสสนาได้ ดูกายก็เป็นสมถะได้นะไม่ใช่ดูกายเป็นวิปัสนาถ้าดูกายแล้วเห็นแต่กายเนี่ยไม่เห็นใจรั ก, ก น, นัะสมถะละนะดูจิตนะอย่างจิตตราฟุ้งซ่านเรารู้ทันนะจิตก็สงบเข้ามาตรงนี้เป็นสมถะนะนั่นเป็นวิปัสนาจะขึ้นวิปัสนาด้วยการดูจิตจะทํำยังไงพูดมาแล้วนะื่องศีลใช่ไหมมีสติรู้จิตเนี่ยศีลเกิดมีสติรู้จิตสมาธิเกิดมีสติรู้จิตแล้วทํายังไงปัญญาจะเกิดการจะเกิดปัญญาได้เนี่ย เราต้องค่อยๆฝึกแยกธาตุแยกขันไปแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนันะ้นเพราะเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วอย่างเราดูจิตดูใจเราเห็นจิตมีความโกรธเกิดขึ้นเราค่อยๆดูไปเราจะเห็นได้ความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งนะจิตที่เป็นคนรู้ความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งนี่เป็นการแยกขันออกไปนะความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันมีสติรู้ทันนะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่น ถ้ามีสติรู้ทานแตจิตไม่ตั้งมั่นมันจะไปเพ่งถ้ามีสติรู้ทานแล้จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตมีสัมมาสมาธิหนุนหลังอยู่มันถึงจะเดินปัญญาจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ความสุขเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่สติรู้ความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นทันทีว่าความสุขกับจิตเนี้เป็นคนละอันกันความสุขกับจิตก็โขละอันกันถ้าสติระลึกรู้ร่างกายแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ มันจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งเป็นคนละอันกันเนี่ยจะค่อยๆแยกนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆก็ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งกุศลอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงนะหรือสภาวะธรรมที่เป็นกลางๆทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้เป็นอีกสิ่งหนึ่ง มันจะแยกจิตออกจากสิ่งอื่นๆนะแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาแยกจิตออกจากจิตตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆนะจิตจะแยกตัวออกมาพอขันมันแยกตัวออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือขันแต่ละขันนะแต่ละกองที่แยกออกไปนั้นไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะไม่ใช่ตัวเราอย่างพอเรามีสติขึ้มารู้ร่างกายอยู่ในขณะนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ มันจะเห็นว่าจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าสติระลึกรู้เวทนาเช่นความสุขเกิดขึ้นจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาไม่ใช่ตัวเราถ้าโทสะเกิดขึ้นมาสติระลึกรู้โทสะที่เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ มันจะเห็นว่าโทสะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งโทสะไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยจะเห็นลงไปเรือยแ ล, แล้วเห็นว่าไม่มีเราในขันทั้งหลายเนี่ยนี่คือการเจริญตัญญานะการหัดเจริญตัญญาขั้นแรกก็แยกขันออกไปก่อนนะอย่างโทสะกับจิตนี่คนละอันกันโทสะเนี่ยเรียกว่าสังขารขันจิตเป็นวิญญาณขันนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งร่างกายเป็นรูปขันจิตเป็นวิญญาณขัน เวทนาก็เป็นอีกขันหนึ่งเรียกเวทนาขันนะจิตเป็นวิญญาณขันถ้าแยกออกไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความจริงว่าขันแต่ละขันที่แยกออกไปแล้วไม่ใช่ตัวเราหรอกพวกเราที่หัดภาวนากับหลวงพ่อนะสังเกตไม่ไ ม, ไม่นานก็แยกขันได้ถ้าไม่มีการแยกขันอย่าพูดเรื่องเจริญปัญญาอย่าพูดเรื่องวิปัสนาวิปัสนาคือการเห็นความเกิดดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของขันนั่นเองนะ ถ้าขันยังไม่แยกตัวออกไปยังเป็นก้อนเดียวกันอยู่นะมันจะไม่เกิดวิปัสนาตัวจริงหรอกนะทาไมต้องแยกออกไปเพราะวิธีศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านเรียกว่าวิพัฒชวิธีว่าแหวนสระอิพอสัาเภาไม่หงาอากาศเฉาช้างวิพัฒวิพัฒไปว่าแยกแยกอะไรแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะแยกออกได้ห้าส่วนนะก็เรียกว่าขันห้าบางทีแยกอีก อีกอะไรอีกแบบหนึ่งนะแยกเป็น6ส่วนเรื่องอายตนะ6ความจริงก็คือขันห้าเหมือนกันแหลนะแต่แยกออกไปอีกสไตล์หนึ่งนะหรือแยกอีกแง่มุมหนึ่งอีกมิติหนึง่งแยกเป็นธาตุธนะาตุสิธาตนะุขันธาตุอายตนะเนี่ยคือวิปัสสนาภาูมินะคือสิ่งซึ่งจะใช้เรียนทำวิปัสสนาเฉั้นบางคนเรียนเรื่องขันบางคนเรียนเรื่องธาตุบางค น, เ ร, นเรียนเรื่องอายตนะแต่ใจความพวกอันเดียวกัน คือการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละส่วนนั้นก็ไม่ใช่ตัวเรานะสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานนะั้คือกายกับใจคือขันห้าที่มารวมกันแล้วเราก็มีการเข้าไปหมายรู้ผิดๆมีสัญญาเข้าไปหมายรู้ผิดๆเรื่องสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดๆว่านี่คือก้อนนี้คือตัวเรานะวิธีที่จะทําลายความวิปลาสอันนี้กนะ็คือหัดแยกขันไป สติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูกายกับจิตก็แยกกันสติระลึกรู้เวทนานะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเวทนากับจิตก็แยกกันสติระลึกรู้สังขารจิตตั้งมั่นสังขารกับจิตก็แยกกันนะคนละอันกันเนี่ยจะแยกอย่างนี้นะพอมันแยกเป็นอันนันแล้วแต่ละอันจะไม่ใช่เรายกตัวอย่างเปรียบเทียบนะคล้ายๆมีรถยนต์หนึ่งคันเราเห็นว่ารถยนต์นั้นมีจริงๆริรถยนต์มีจริงๆ ถ้าเรียนแบบชาวพุทธนะเราจะถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นๆนนี่พวงมาลัยนะนี่เกียร์นี่เบรกนี่คันเร่งนี่กันชนนี่ตัวถังนี่ช่วงล่างนี่คลัตนะนี่แยกแยกแยกแยกไปคลัตไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมตัวถังไม่ใช่รถยนต์เบาะไม่ใช่รถยนต์โชกไม่ใช่รถยนต์ไหมคันชนไม่ใช่รถยนต์นี่วิทยุก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะก็ไม่ใช่รถยนต์นะเนี่ยเขาแยกแยกแยกออกไปนะ ไมจะพระว่ารถยนต์ไม่มีจริงอะรถยนต์เป็นสิ่งซึ่งหลายอายหลายอย่างมาประกอบกันขึ้นมาแล้วเราก็หมายเอาว่านี่คือรถยนตนะ์ตัวเราจริงๆก็ไม่มีมันคือขันที่มาประกอบกันขึ้นมานะคืออายตนะที่มาประกอบกันขึ้นมาคือธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาเรียนอันใดหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องเรียนหมดหรอกนะงั้นเราค่อยดูไปทําไมมันจะแยกออกไปได้เนี่จะแยกออกไปได้ด้วยเครื่องมือสองอนะันอันหนึ่งฝึกมีสติขึ้นมา อันนึ่ฝึกให้มีสัมมาสมาธิมีใจที่ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานั้นฝึกสติเนี่ยฝึกยังไงคอยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความหลงเกิดขึ้นรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันใจเฉยๆความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ทันร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้หัดรู้บ่อยๆ หัรู้บ่อยๆนะต่อไปมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้อันนี้เรียกว่ามันมีสติขึ้นมานะอย่างเราหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆนะคอยดูความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะต่อมาพอใครมาพูดขัดใจเหล่านี้เดี๋ยวความโกรธเกิดนะสติจะเห็นเองเลยว่าโอ้ใจมันมีความโกรธผุดขึ้นมาเนี่ยวิธีฝึกให้มีสตินะคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆ ถ้าจำจิตมันจำสภาวะได้แม่นเมื่อไหรนะ่สติจะเกิดอัตโนมัติสติที่เกิดอัตโนมัติเป็นสติที่มีกำลังกล้าสติที่ต้องจูงใจให้เกิดเนี่ยมีกำลังอ่อนนะนี่เราฝึกจนสติมันอัตโนมัติขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราเรียนเรื่องจิตสิกขาบทเรียนเรื่องจิตสิกขานเรียนเพื่อให้เกิดจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตมีความตั้งมั่นนั่นเองนี่เราชอบมั่วบางที ได้ยินคำว่าจิตตรศิขาคิดว่าเป็นเรื่องเข้าฌาญอย่างเดียวว่านั่งจะทํำฌาญอย่างเดียววัตถุประสงค์ไม่ได้มุ่งทำํำฌานวัตถุประสงค์จริงๆอะมุ่งจะให้จิตเกิดสา ม, มาสมาธิจิตมีความตั้งมั่นขึ้นมาส่วนจะตั้งมั่นถึงระดับฌาญหรือไม่นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จิตต้องตั้งมั่นเวลาที่เราจะใช้จิตที่ตั้งมั่นไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตไม่จําเป็นต้องตั้งมั่นถึงระดับฌาญแค่ตั้งมั่นเป็นขณะขณะที่เรียกว่ามีคณิกาสมาธิก็พอแล้ว งั้นไม่จำเป็นถึงขนาดว่าต้องทําฌานให้ได้ก่อนอันนั้นเข้าใจผิดละแต่ว่าต้องฝึกตัวเองนะเราคอยสังเกตจิตไปเรื่อยจิตเราชอบไหลนะเดี๋ยวก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวก็ไหลไปทางหูเดี๋ยวก็ไหลไปคิดจิตที่ไหลไปไหลมานั่นแหละคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่แหละอาศัยสตินะรู้ทันจิตรู้ทันจิตไปเรื่อยเราก็เห็นโอ้จิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาชัวา่วขณะอย่าไปดึงคืนมานะถ้าจิตไหลไปทางตาเราไปดึงคืนมันจะแน่นๆ ไม่ดึงคืนจิตไหลไปทางหูก็แค่รู้ว่ามันไหลไปทางหูมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองถ้าไปดึงคืนใจก็จะแน่นๆจิตแอบไปคิดนะก็แค่รู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วเห็นจิตมันไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเองแต่ถ้าไปดึงคืนมานะจิตจะแน่นๆถ้าแน่นแเราทําผิดละนะมีความจงใจเจือด้วยโลภะเจตนาละนั่นะเราหัดนะหัดทีแรกหัดรู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราได้คือเราจะได้สติ อีอันหนึ่งเราหารู้จิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่มันหลงไปหลงปูดูเรียกจิตออกนอกจิตมันไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้บางที่ไหลไปข้างนอกที่ไหลเข้าไปข้างในก็ได้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปเวลาที่เราจะดูอะไรสัอย่างจิตชอบถลําลงไปดูเวลาเราจะคิดอะไรจิตก็ชอบถล่มลงไปคิดให้คอยรู้ตัวนี้บ่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะรู้ตัวขึ้นมาได้นี่เราจะได้สติแล้วได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นขณะขณะขึ้นมาแล้วเนี่ยถัดจากนั้นเราก็จะเจริญปัญญา มันจเจริญอัตโนมัตินะเมื่อสติอัตโนมัติกับจิตตั้งมัน่นอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการจเจ ร, ริญปัญญาอัตโนมัติจะเกิดเองโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยอย่างบางคนนั่งแปลงยืนแปลงฟันนั่งแปลงฟันอะไรเนี่ยอยู่ๆปุ๊บจะรู้สึกขึ้นมาร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราละบางคนตื่นนอนนะ น, นอนดิ้นไปดิ้นมาพลิกไปพลิกมายังขี้เกียจอยู่นะพลิกไปพลิกมาเกิดรู้สึกขึ้นมาในฉับพลันเลยร่างกายที่คลิกอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราละ นี่มันเห็นนะเห็นความจริงแล้วว่ามันไม่ใช่เราหรอกกายก็ไม่ใช่เรานะเวทนาก็ไม่ใช่เราสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยนะจิตก็เกิดไปตามอายตนะจิตเกิดไปตามเจตสิกเกิดร่วมกันเช่นความสุขจิตที่ที่มีความสุขก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะ นี่หัดดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นจิตเองก็เกิดดับนะสังขารทั้งหลายร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาถูกรู้ถูกดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราตัวจิตที่นึกว่าเป็นเราก็เกิดเกิดดับดับนะไม่ใช่ตัวเราที่ถาวรถ้าเมื่อไรเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนั่นแหละจะได้ธรรมะละตัวตนถาวรไม่มีนะพระโสดาบันท่านเห็นความจริงแล้วว่าไม่มีอัตตาตัวตนหรอกตัวตนถาวรไม่มี ถ้ายังเห็นว่ามีสิ่งใดเป็นอัตตาตรวจตนอยู่ยังเป็นปุถุชนอยู่จำไหมนะอย่างถ้ายังเห็นว่าจิตนี้เป็นของเที่ยงเป็นของถาวร น, นี่ไม่ใช่ละเห็นสติเป็นอัตตาบังคับได้สั่งได้นี่อันนี้ไม่ใช่แล้วมันนอกอคราะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วได้ไหมมีสติรู้จิตได้ศีลมีสติรู้จิตจะเกิดสมาธิใจจะตั้งมั่นใจไหลไปรู้ทันจะตั้งมั่น เสร็จแล้วก็มีสติมีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยไปรู้จะเห็นเลยขันห้ามันกระจายออกไปแล้วขันห้าไม่ใช่เรา น, นี่คือปัญญาเชิญนินมนต์เลยครับ